พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเป็นหูเป็นตาช่วยกัน งานผงพวกเห้าไก่เข้ามาแล้วนะลุกลันผู้ใดมีนาทียังผวกในคั่วก็เบิงกาดเหลือขาดตกยังเบิงให้เขาเคยใช่ชามากจังไหยตีบอกกระไผคู่บาขึ้นกันแต่เง่นมากเลยก็ต้องบอกรับรู้รับทราบอ ขาดเหลื อ, อยังภายในวัดบุมาได้ยินแล้วก็เฉยบุได้ลยได้ยินแล้วก็ต้องบอกมันขาดตกบกพรองมาแล้วยังคอยเสียกันมัดวัดบ่อนแน่วหลวงพ่อเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วเมียงอาวิ ญ, ญาณหลวงพอ่อกลัวหลวงพอนะ่อเน่ะหลวงพอว่อบ่ให้พวกท่านทั้งหลายกลัวนะกลัวก็ต้องมีเหตุผลกลัวแบบเถลิงทลาราทลึงนะ่ะบได้นะ พั่นโชวอีริน่ฟันเล่ยวะนอนไปแต่ว่ไม่เหตุผลมาหลวงพ่อก็ต้องยอมรับมีเรื่องยัง้งขาดเหลือขาดตกยัง้งเสนอขึ้นมาบอกมาหลวงพอ่อจะต้องได้แก้ไขรีบแก้ไขในเรื่องนั้น น, นัของช่าภายในวัดของเฮามียง แต่หลวงพ่อเด่นนักเลืองน้ำนะย่าให้ขาดเหลือขาดตกนะเรื่องน้ำผู้ถีมีนนาทีนา่น้ำเมื่แม่จะไปมาลุก ม, มาตุ่มอยู่แต่หน่าวัดจนลืมสูบน้ำบาหาไกจมือยังปไปเลื่ปเติมมาเพิงน้ำเจ้าของนะเอาไปมากเครื่องเสียอีกต่างหากน้ำก็บพ่อใส่ต่างหากสูบน้ำบกขืนอีกต่างหากระบบน้ำ อยู่ใสไผเป็นผู้หูระบบน้ำเปิดไปหาตัวไรไปหาตัวไรบางปีนี่เจอเน๊ะทำทาพ่นทีร่างทังแล้วไปปิดทังน้าพอปิดทังน้ำพ่นงานจน่าใกล้ทีแล้วยังค่อยน้ำเม่ไหรยังค่อยเปลืเล้เพื่เตอแกลนไปหาไหอ้มงประตูน้ำมันมีเลยพวกเซ่อ์ทั้งหลายเสียงโมนี่มันต้องฝึกคัดสอมกันไว้ไผเป็นผู้ดูแล ดูแลสายน้ำประตูน้ำปล่อยน้ำมันมีกี่ประตูมีกี่สายถ้าหากว่าน้ำมันเสียจุดนั้นประตูไหนที่เราปิดน้ำแตกในครัวอย่างนี้นประตูไหนต้องฝึกซ้อมกันต้องดูกันพาันไปดูอย่างน้อยทักสามสี่องคอ์ให้เรียนรู้ด้วยกันประตูน้ำตัว น, นี้ไปตัว น, นั้น เ, เขียน บัญชีเลขที่ออกมาแล้วก็พาไปดูเนี่ยแหละอันนี้คือความรอบคอบเกี่ยวกับน้ำนะไม่ใช่ว่ารู้องค์เดียวแล้วก็พอองค์นั้นไม่อยู่เออบางทีนะ่ตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กำลังไปคุยกับหมูอยู่เวลาคนไปบอกขึ้นมากับมโมโหให้หมูเลยยุ่งเหลือเกินเออ แค่ไนจะทำยังไงได้เพราะตัวเพราะเรารู้คนเดียวเรื่องระบบน้ำไม่ได้บอกกล่าวให้ครับไม่แนะนำให้ใครรู้นี่แหละอันนี้ก็คือความขาดตกบกพร่องถ้าเป็นอย่งงางนั้นองค์ไหนเป็นอย่งงางนั้นบอกมาฮะบอกให้หลวงพ่อหลวงพ่อพร้อมที่จะจับมาคุยทั้งนั้นแหละคุยด้วยเหตุผลแล้วฟังแล้วไม่ฟังฮะ ตะนัดระบัด น, นี่เพราะนั้นการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันต้องมีเหตุผลต้องมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันกเหมือนแข้งขาของเราเนี่ยขาตีนมันจะทานงตัวได้ยังไงถ้าเอาไม่เอาเลือดไปเลี้ยงมันก็นตัดขาทิ้งได้ อ, อีกอันไหนมันอยู่ด้วยกัน สำคัญกว่ากันในร่างกายมันสำคัญด้วยการหมดนะสมมติว่าหลวงพ่อเป็นศีรษะเป็นหัวใช่ไหมละ่ะเป็นผู้สั่งเป็นผู้ดูแลสมองเป็นผู้ดูแลนะถ้าหัวใจหยุดทำงานสมองจะทำงานได้หรอเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องอาศัยหัวใจส่งขึ้นไปนี่ก็เหมือนกันลูกน้องบริวารทุกองทุกคน ดูทุกองค์กรตั้งแต่พวกปัดถนนทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูโรงทงโรงทานสำคัญด้วยการหมดทุกคนภายในวัดเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะทำงานต้องส่งลูกให้กันเหมือนกับฟุตบอลการอยู่ด้วยกันเหมือนกับเราเล่นฟุตบอลถ้าว่า โกปล่อยให้เขาเตะเข้าไปในโก้แล้วจะเป็นผู้ชนะได้อย่างไรไม่รับลูกทั้งแบ็กทั้งโกปีกซ้ายปีกขวากองหน้าสำคัญด้วยการหมดทุกคนในการเล่นนี่ก็เหมือนกันการอยู่ด้วยการภายในวัดก็ลักษณะอย่างนั้นแหละเพราะนั้นให้ดูดูนะหลวงพ่อเป็นห่วงเรื่องน้ำผดผุดชัดๆเลย เรื่องไฟนั้นก็ไม่ห่วงเท่าไร่แต่เรื่องน้ํามันเป็นห่วงกว่าถ้าว่าน้ําไม่ไหลเท่านั้นแหละแปลว่าความสกปกเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยคนมามากถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นต้องช่วยๆกันดูนะเรื่องน้ำนะแล้วก็พร้อมกันเรื่องห้องน้ําจะให้ขาดตกปกพ่องทดลองทดลองใช้ดูก็ไปเปิดดูผู้เกี่ยวของทุกคนเรื่องน้ําระบบน้ํา แล้วก็ห้องน้ําการใช้ในห้องน้ำํำทั้งภายในวัดด้วยทั้งนอกด้วยช่วยกันแล้วก็ครูบาพระทั้งหลายกุฏิหลังไหนพักหลังไหนครูบาอาจารย์มาจะให้พักหลังไหนอันนี้ก็ช่วยกันคิดอีกเหมือนกันตามลงที่จะ น, น้ําร้อนลงน้ําร้อนพักได้ทั้งนั้นแหละหน้านี้เป็นนานแง้ง ฝนไม่ตกตรงไหนที่เป็นจะพักได้พวกนั้นบ้านพักของผู้ติตามอสองสามหลังก็พักได้เวลาครูบาอาจารย์หรือศรัทธายาติโยก็พ่อช่วยๆกันคิดทำความสะอาดดูทุกที่สรุปแล้วนะแต่เรื่องแต่ถึงยังไงก็ตามทุกแห่งหนต้องดูเรื่องน้ำเรื่องน้ำนเป็นปัจจัยสำคัญ เป็นเพราะหลวงพ่อเคยอดน้ํามาก่อนก็ไม่รู้นะหลวงพ่อเคยอยู่ภูเจ้าก็เคยอดน้ํามากับเรื่องน้ําก็เลยใส่ใจเป็นพิเศษพวกเรื่องน้ำนะโอ้มันลําบากถ้ามันขาดเหลือขาดตกลงไปนะแล้วก็พวกทางในครัวก็เหมือนกันช่วยๆกันเรื่องอาหารแต่ในวันนี้ก็มีพระมากนะมีมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ตั้งสี่รูปนะพระวันนี้ สี่สิบสามรูปมากูบาอาจารย์มาช่วยการช่วยงานวัดของเราช่วยกันดูเรื่องนา้าป่านงปะนะก็เหมือนกันมีอะไรให้ช่วยกันดูเหมือนกันลุงพ่อเองก็ไม่ให้ฟุ่มเฟือยแต่ไม่ให้อดอยากให้ช่วยกันดูกินจนฟุ่มเฟือยเททิ้งจนเขาดูถูกพระพุทธศาสนาดูถูกพระ ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็การเป็นอยู่แห้งแลนแค้นเกินไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเดี๋ยวจะตำหนิหลวงพ่ออีกหลวงพ่อทำไมไม่ดูผ่านเนนมาทำการทำงานหาน้ำจะดื่มอะไรก็ไม่มีน้ำหวงน้ำหวานก็ไม่มีฮก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นแล้วก็เห็นแป๊บซี่โค้กเหลื่อนไปหมด อย่างงั้นมาก็ไม่ถูกอีกสรุปแล้วก็คือพระภายในวัดของเราในะช่วยช่วยกันดูนะช่วยกันดูพวกเราเป็นหูเป็นตาไม่ใช่ว่าวัดนี้เป็นวัดหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นเท่านั้นเองจะผิดถ้าคนอื่นเห็น้วไม่เป็นไรพอเห็นหลวงพ่อเห็นเท่านั้นหรอมันเป็นเรื่องผิดพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เป็นอย่างนั้นวัดนี้ไม่ใช่วัดหลวงพ่อเป็นวัดของพวกเราทุกคน ใครเห็นอะไรที่ขาดตกบกพร่องไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรภายในวัดเห็นแล้วท้วงติงเลยถ้าไม่กล้าท้วงติงก็บอกบอกองค์ที่ที่จะพูดได้เออไม่ชอบมาพา ค, คนในะ้เรื่องเนี่ยเห็นแล้วมันเป็นยังไงนะเนี่ยคูบาอาจารย์หลวงพ่อบอกมา เ, ออเพราะนั้นพวกเราทุกคนออมันเหมือนอวัยวะเดียวกัน เพรนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะถ้ามันเอามาพลาดตัวหนึ่งแล้วมันเป็นไปหมดนะเห็นไหมถ้าหนามต่าเท้าเข้ามาแห่งเดียวเท่านั้นแหละพอมันมีพิการนั่นแหละขยเกไปทั้งตัวเออถ้าเจ็บฝ่ามือเท่านั้นแหลอมันเจ็บไปทั้งตัวอีกเหมือนกันในร่างกายของเรามันคือสัมปยุติกันมันเกี่ยวเนื่องกัน เพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามที่มันกระทบกระเทือนภายในวัดของเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเนี่ยความพร้อมเพียงความสมคคีในหมู่ในคณะการอยู่ด้วยกันถ้ามีความพร้อมเพียงสมคคีในหมู่ในคณะไม่ว่าญาติวายุมไม่ว่าผู้ไหนที่มาเกี่ยวข้องช่วยช่วยกันดูช่วยช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาด้วยกันนะั่นนะไม่ว่างานจะหนักหนาขนาดไหนเป็นงานจิบจ่อยทั้งหมดเพราะห้ไหรเพราะ พวกเรามีความพร้อมเพียงสมัครีกันถ้าแตกสมัครีกันแล้วอย่าหวังนะงานถึงจะ น, น, น้อยก็นั่นแหละเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาผลที่สุดจีบหายทั้งวัดวาศ า, ศาสนาจีบหายทั้งทุกคนเลยไม่มีใครแพ้ใครชนะไม่มีใครเก่งกว่ากันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะความอิจฉากันนะอจะได้มีในใจเราเป็นนักปฏิบัตินักภาวนาอิจฉาไปเพื่ออะไร เราจะอยู่ไปกี่ปีจะอยู่เป็นร้อยปีไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมถ้าหาไหนเป็นเหตุเป็นผลเป็นศีลเป็นธรรมเดินไปสู่จุดนั้นถ้าหาว่าไม่เป็นศีลเป็นธรรมเลยอย่าอย่าเดินตามขวางเลยอ้างเหตุผลอีกต่างหากอย่าทาอย่างนี้นะถ้าขืนทาต่อไป น, นความหายนะจะเข้ามาสู่พวกเรา นี่แหละไม่ใช่เราอิจฉาเราพูดตรงๆเพราะเหตุไรเพราะการอยู่ด้วยกันต้องเป็นหูเป็นตาสิ่งที่หายันะความจิบหายจะเข้ามาสู่พวกเราพวกเราต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันคิดช่วยกันต่อต้านช่วยกันทำแต่ว่าใครจะได้ดีเอายกให้เลย เพราะว่าบุญวาสนาบา ร, รมีเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราต้องนุ่อย่างไปถึงบา ร, รมีบุญบา ร, รมีแต่ละคนนะถ้าหากว่าบุญบา ร, รมีเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าคงจะยกย่องเป็นอัครสาวกไพมากับอัครสาวกหมดทุกคนทำไมจึงยกภาษาบุตรเป็นอัครสาวกเพราะท่านมีบุญบา ร, รมีมาอย่างนั้นพระพุทธองค์ให้ตาม ตามสถานะนีก็เหมือนกันนะถึงเราจะไม่เปลียนไม่เปรียบตัวของเราเป็นพระสาวกก็เถอะแต่บุญบา ร, รมีของคนไม่เหมือนกันพูดง่ายๆบำบาดกรรมน่ไม่เหมือนกั น, กร ร, นะ น, ก, นกรรมคือการกระทำไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันในเมื่อคิดและทำพูดไม่เหมือนกันแล้วการเป็นอยู่จะเหมือนกันได้อย่างไรมันต้องแตกต่างกัน วันนั้นเราเมื่อเรามองกรรมแต่ละคนแล้ว เ, เราจะไปอิจฉาเขาเพื่ออะไรจะไปดูถูกเขาจนตัวเองเดือดร้อนไปเพื่ออะไร เ, เราต้องทาใจของเราได้ทั้งนั้นแหละเพราะเห็นไรเพราะเมื่อเขาตกทุกข์ระยาโอ้กรรมของสัตว์เราจะช่วยเขาได้ไหมเนี่ยถ้าเขาร่ำรวยโอ้ใช่ก็ดีอนุโมทนายินดีด้วยนะ เพราะคงจะเป็นบุญกุศลเก่าของเขาให้ผลเขาจึงได้รับความสุขล่ำรวยโชคดีถึงขนาดนี้เพราะเราคนเราแบบไม่เหมือนกันแต่เว้นเสียแต่เขาเยียบผมว่าคนอื่นดูถูกเยียด์ยามคนอื่นแล้วป้นคนอื่นโลภโมโหของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอันนั้นปัานามมันทำได้ยังไง ใครๆว่าขาดน้าใจขาดเมตตาขาดคุณธรรมในจิตใจอย่างร้อยแรงรับไม่ได้แต่คนประเภทอย่างนี้แต่เขาได้มาโดยความออบริสุทธิ์ใจทรรมาค้าขายไม่ได้เบียดเบียนใครด้วยความหมั่นขยันของเขานั่นนะอันนั้นแปลว่ามาด้วยบุญกุศลของเขา เ, ออเราจะไปอิจฉาพยาบาทเขาทำใหม่ นี่แหละสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเรามองถึงกรรมผลของกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำของพวกเราไม่เหมือนกันนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ากรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเข้าไปอยู่ในจุดนั้นนะแต่พวกเราไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วนะพอเห็นเขาได้เงินก็ไปปล้นเขา อย่างงั้นแหละแต่เมื่อตัวเองทำชั่วแล้วนะความชั่วจนนั้นลหละจะให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่านะเมื่อทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังสรุปแล้วก็ให้พวกเราทุกๆท่านนะสรุปแล้วหลวงพ่อแนะนาบอกกล่าว ให้พวกเราท่านทั้งหลายมีความพร้อมเพียงมีความสมัครใจทำงานให้ประสานกันอย่าให้กระจุกอย่าให้รู้แต่คนเดียวอย่างที่หลวงพ่อพูดประตูน้ําอยู่ที่ไหนใครรู้บางองค์มันก็ไม่รู้ทุกองค์เพก็เข้ามาใหม่องค์นั้เมื่อเขาสอนแล้วก็บอกแล้วก็ต้องไปเ ร, เรียนรู้ด้วยกันเปิดน้ําไปทางไหนน้ำไปอย่างเวลาน้ํามีปัญหาจะปิดตรงไหนมันมีที่ปิดที่เปิดเขาทาไว้หมดแล้ว เปียถ้าพวกเราจะรู้จักวิธีใช้หรือมีไม่รู้จักเท่านั้นแหละมันหลายรุ่นเข้ามาแล้วแต่หลวงพ่อเองอนะมีแต่บอกพวกท่านทั้งหลายต้องดูอยู่แล้วนะรู้กว่าหลวงพ่อนะแต่หลวงพ่อมีแต่ให้แนวนโยบายเทตนเองจะทำํำยังไงน้ําจึงจะดะไหลไฟจึงจะสว่างพวกเราจึงจะได้รับความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ขาดเหลือขาดตกอะไรเอาบอก หลวงพ่อมีแต่ให้แนวเท่านั้นเองเรื่องปัจจัยสี่แต่สิ่งไหนที่มันหลุ่หลับโออาชัวเกินไปจนลืม อ, ออกนอกลู่นอกทางจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานหลวงพ่อก็จะบอกเอ้ยหยุดเกินไปแล้วนะพวกเรานะ อ, ออกนอกลู่นอกทางแล้วแต่ในความรู้สึกของเราหนะในความรู้สึกของหลวงพ่อหนะออกไปแล้วนะหยุดไปก่อนอย่าพึ่งทําขนาดนั้นเถอะนะ อันนี้หลวงพ่อก็จะบอกให้ฟังเมื่อหลวงพ่อบอกแล้วต้องฟังทำไมจึงฟังทำไมจึงให้ฟังเพราะวัดนี้เป็นวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ยังเป็นหัวหน้าอยู่พวกท่านทั้งหลายต้องฟังถึงจะพอใจไม่พอใจขนาดนั้นก็ต้องฟังเพราะเหตุหอะไรเพราะว่าเรายังอยู่ ในความคิดของท่านอยู่ในเมื่อเราไปเป็นเจ้าอาวาสเองนะเราจะกระโดดโลดเต้นขนาดไหนกันเถิดกระโดดลงน้ํากระโดดขึ้นบกกระโดดผู้เขากระโดดหน้าผาทำเลยเอาสุดเวียงเลยเถนี่ยเพราะเราเป็นมีอํานาจเป็นเจ้าอาวาสแล้วนะแต่เมื่ออยู่กับหลวงพ่อนี่ยต้องฟังสนะรุปแล้วก็คือให้รู้จักวางตัวนะกาละเทศะการสถานที่บุคคลเข้ามาในะสถานนี้ควรทําตนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น หลวงพ่อบอกแล้วบอกกีกในลึกเสียงเหล่านี้นะให้พวกเราสังเกตนะรับพรนรโมทนาให้พอ